ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพธยญาในวันนี้ก็คงพูดถึงการศึกษาค้นคว้าก่อนการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงต่อไปนั้นเป็นความฝันครั้งสำคัญก่อนที่จะสัสรู้ เป็นข้อความปรากฏในจัตตสูตรประมณวักปัญจการนิบาตั้งคุณธรณิกายนะกรับรับสั่งเล่าแก่ภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญห้าอย่างได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตสมาสุทตจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การสรัรูยังไม่ได้สรัรูยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ห้าอย่างคืออะไรบ้างเรา คือหมหาปัตตพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจงเขาหิมะวันเป็นหนอนเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงที่สมาสมุดด้านทักษิณพิกูจน์ทั้งหลายนี้เป็นหมหาสุบินข้อที่หนึ่ง ได้มีแล้วแก่ตถาคตอรันตสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่การสัสรู้ยังไม่ได้สัสรู้ยังเป็นประโพธิสัตว์อยู่ข้อนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตนะฮะถ้าเรามองถึงสมัยหนึ่งที่พระนางสิริมามายาเองก็ได้ทรงสุบินนิมิตในลักษณะเช่นเดียวกันปรากฏในอัริยอาภูรธรรมสูตร เป็นการเล่าวก่อนที่พระโพธิสัตว์จะถือเบญจสุทธิในพระคันเนี่ยปนางสีมามายาก็ทรงสุบินหลายข้อนะแล้วก็ปรากฏการเหล่านั้นก็เป็นความจริงในเกี่ยวกับสุบินที่พูดถึงสุบินสิกข้อของพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลหรือสุบินห้าข้อของพระโพธิสัตว์เนี่ย ล้วออกมาอย่างนั้นแต่น่าสังเกตคือไม่ลงตัวไม่ตรงตัวไม่ได้บอกตรงๆไม่ได้บอกตรงๆบอกในรูปของปริศนาธรรมที่ชวนให้คิดแล้วพระองค์ก็ทำนายด้วยพระองค์เองว่าที่สุบินนิมิตอย่างนั้นหมายความว่ายังไงอย่าในกรณีข้อแรกที่ว่านี่ กระลับสังว่าภิกษุทั้งหลายเขาว่าหมาปตพีนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมะวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในหมาสมุดด้านทักษิณนั้นเป็นหมาสุบินข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสมาสพุทธเจ้าได้ศสัสรู อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นบุพนิมิตนะครเป็นบุพนิมิตว่าลาักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็ทรงทำนายนะว่าตรงจะได้ศัจรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้คำว่าอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยแปลว่าความรู้ดีรู้ชอบอย่างยอดยิ่งอย่างสูงสุด ลักษณะของการจัดสรู้เป็นสภาพจิตที่ปรับปรับปรั บ, รบมาเรื่อยๆเลยนะคถึงจุดหนึ่งในกิเลสมันมันส ง, งบไปหมดไม่มีอาการของกิเลสมีความผ่องใสที่ทรงแสดงเนี่ยประดุกกรราชกุมาเรเ่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นเป็ละละนลักษณะของความรู้ที่ผุดขึ้น แต่ว่าสว่างตลอดไปนะซึ่งเราสังเกตว่าแนวความคิดตรงนี้ถ้าพื้นฐานจิตเรามีความสงบคือสังเกตง่ายๆในะยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะสังเกตได้สามสี่อย่างง่ายๆนะะว่าลักษณะเราเานี้ธาตุเหล่านี้เราก็มีเชื้ออยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ห่างไกลจากประสพันยุติยานแล้นั่นเองเอยกตัวอย่างเช่น บางคราวที่เรานั่งสงบสงบสงบพอสมควรนะฮะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านมือลอยแล้วก็มีโทรศัพท์กริ่งเนี่ยฮะเราจะรู้ว่าใครโทรแต่บางทีก็อาจจะลองอย่าคือคือทักเข้าไปเลยได้แต่ว่าสภาพจิตต้องดีพอเราปิดประตู้องมีคนเข้าประตูเรารู้ว่าใครเข้า มีคนเดินมาเนี่ยเรารู้ว่าเขามาต้องการอะไรหรือบางทีก็อ้าปากจะพูดเรารู้เขาจะพูดเรื่องอะไรแต่บรรยากาศต้องดีเป็นแสดงว่าประสิทธิภาพของจิตเนี่ยที่เบยเนี่ยผังเขามอกมองในประสิทธิภาพของสมองว่ามีพลานุภาพอันมหาศาลแต่เราก็มองในแง่จิตนะใครจะมองในแง่สมองก็ว่าไปเราก็ถือว่าสมองนั้นเป็น ประสาทส่วนสมองเป็นเครื่องมือในการทำงานของจิตท่านเด็กแต่แน่นอนก็ากออีกหนึสายสื่งกันแลกการถ้าประสาทส่วนสมองเขาพิการไปจำรุดไปนะฮะจิตก็สั่งการไม่ได้ทำงานในสายตรงนั้นไม่ได้ก็ทำนองใล้ายล้กับว่าประตูมันถูกปิดเอาไว้เราก็ออกตรงนั้นไม่ได้แต่ก็ออกทางอื่นได้ทีนี้ลักษณะของการจดสรูมันจึงไม่ใช่เป็นความรู้อย่างที่เราเข้าใจ ความรู้โดยทั่วๆไปมันก็รู้นะแต่จุดต่างที่มีความชัดเจนมากที่สุดก็คือว่าความรู้ที่เราเรียนเขาเรียกว่าโลกิยะความรู้ที่เป็นโลกิยะ ก, ะกนนะ็นแ้กันฮะมันจะเรียนถึงปัญญาเอกสกิปริญญาก็ตามมันจะเพิ่มกิเลสเป็นเรื่องที่แปลกคือเห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าการเพิ่มของกิเลสต่างกับของพระพุทธเจ้าแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ของพระพุทธเจ้านั้นจะลดกิเลสแล้วจะหมดกิเลสแต่ว่าเราศึกษาในทางคดีโลกให้ลองสังเกตว่าแต่บางทีมันหลงตัวจนมั่วไปหมดเลยจนสับสนในตัวเองคือเราเราเราเรียนสมมติเราด็อกเตอร์มาทางหนึ่งด็อกเตอร์ไปทางหนึ่งแต่เราแสดงความรอบรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย เป็นด็ตรทางเศรษฐศาสตร์ที่มาวิาพากษ์วิจารเรื่องศาสนามาอธิบายเรื่องศาสนาเข้ารถกระพงไปกันใหญ่เลยแล้วคนก็เชื่อนะฮะอันนี้คือจุดอันตรายจุดอันตรายมากเพราะอะไรเพราะว่าเรายิ่งรู้เรายิ่งหลงยิ่งรู้คือยิ่งไม่รู้นะฮะหมายความว่ายิ่งรู้ยิ่งยิ่งรู้ยิ่งเพิ่มเอาวิชา เพราะอะไรเพราะว่ามันจะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดมานาเกิดทิฐิตามมาจากความรู้เนี่ยล้วก็สามารถพิสูจน์พิสูจน์ทดสอบตัวเองได้แต่ละคนเนี่ยผ่านการรู้มาเอาสมมติว่าเราจบเป็นยาโทมาแต่เราไปสมัครทำงานเขาให้เงินเดือนเท่ากับบุตรปวสรเราจะโกรธทันทีได้ เห็นหมฮะมันนอกจากโลภะแล้วมันมีโทสะอยู่ด้วยทีนี้ถ้าเขาให้แค่วุฒปัญญาตรีเนี่ยเราจะเกิดโกรธเหมือนกันมีทั้งโลภะทั้งโทสะเขาให้เท่าวุฒปัญญาโทเนี่ยเราก็พอใจแต่จะพอใจระยะสั้นๆแต่ถ้าเขาให้เท่ากับปัญญาเอกเนี่ยเราจะเกิดโลภะต่อเราจะเกิดพอใจนะฮะแต่พอใจมันพอใจที่ตัวโลภะ พอราพอเราทำงานขึ้นมานะเราทํางานสมมุติเราทํางานเนะี่ยแล้วทํางานไม่ได้ดีอย่างที่เขาก็คาดหมายว่าเรามีความรู้อย่างนั้นแลยวเลดเงินเดือนลงมาอยู่ระดับปัญญาโทเราจะเกิดโทสะเไยคือจะข้าข้างตัวเองตลอดจะหลงตัวเองตลอดให้ความสําคัญแก่ตัวเองซึ่งว่าการตามความเป็นจริงเนี่ยความรู้ในหนังสือกับความรู้ภาคสนามมันคนละเรื่องกัน มันเป็นตัวเสริมท่านั่นเองไม่ใช่เป็นตัวหลักกว่าถ้าความรู้เราได้ปริญญาบัตรมาได้รับปริญญาบัตรมาแล้วก็จะเก่งแตกฉา น, นก็เปล่าแต่ว่าคนจะไม่ได้รู้สึกตัวอย่างนั้นหรอกบางทีเป็นด็อกเตอร์ทางกีตาวิทยาทางมาแมลงไนะอธิบายทฤษฎีการเมืองอธิบายเศรษฐศาสตร์อธิบายสังคมว่ากันไปทุกคนก็เชื่อเพราะเราจึงพบว่า มีสํานักบางสํานักที่เอาปริญญาในข้าวมาอวดเป็นตัวโชวคนจะไปพูดเรื่องพระเทนี้ปริญญาทางนั้นปัญญาตรีขึ้นไปปัญญาตรีแต่มันจะได้อะไรปัญญาตรีไม่ได้ลดกิเลสปัญญาตรีมันเพิ่มกิเลสแล้วมาอวดทําอะไรปัญญาตรีในสายหนึ่งปัญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ปัญญาตรีทางบัญชีทางการตลาดปัญญาตรีทางพาณิชย์ทางบัญชีอะไรแต่ละกว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ต้องลองว่าจริงๆแล้วพวกนี้กิเลสเขาเพิ่มเรียนแล้วกิเลสเพิ่มแล้วมาเที่ยวพูดอย่างนั้นก็อวดที่น่ารังเกยียจเวลานี้ยเราเอาวุฒิ อ, อะไรต่างๆในเะข้าไปใส่ใส่รุงรังไปหมดเลยแล้วก็ชอบแบบฟอร์มอะไรต่างๆบางทีเนี่ยเขาเน้นมุนเราไปพูดเฉยๆ น, นนะมีแบบฟอร์มมีประสบะการณ์มีความชนานํานาญอะไรๆเราไม่บอกเราชํานาญอะไรนี่ เราบอกว่าฉันไม่ได้มาสมัครงานกับคุณเนี่ยทำไมคุณต้องการรู้อะไรมากๆๆามายไกล่กัมันไม่ยุติธรรมอะ่ะมันเรื่องอะไรอะ่ะเออเขาหนี ม, มนุมมน์เรามาพูดเขาก็ต้องรู้ว่าเราพูดได้เราพูดได้เราก็พูดแล้วก็จบไปเราไม่ได้มาสมัครงานทํางานกับเขาเราพูดในฐานะเป็นพระแต่นั้นเองเราไม่ได้พูดในฐานะว่าเราได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, นี้เราพูดในฐานะที่เราเป็นพระรูปหนึ่ง แล้ถ้าเกิดจะนับถือขึ้นมาก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าไม่ใช่วบันับถือเราเราเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าตอนนั้นเด็กแต่สังคมไม่ชอบนะมียาวเฟ้ยเลยอะไรไม่รู้แนะนํากันเาานี่ยมาเนี่รู้สึกต่อต้านนะรู้สึกต่อต้านไ่้มันเรื่องอะไรอะเรามาพูดแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงทำไมโจกแบบฟอร์มกันเีอะแยะโดยเฉพาะราชาการนะแล้วในแง่ความจริงว่าถามว่าคุณอ่านหรือเปล่าคุณอ่านแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา มันไม่มีใครอ่านรอกเล่ม อ, อย่างเนี้แต่นั่นคือระบบราชการนะถ้ า, าได้เชยๆอยู่เยอะเลยระบบราชการนะก็สิ้นเปลืองงบประมาณกระแผ่นดีนะกระดาษเสียไปวันกันเท่าไหร่เป็นกิโลกิโลนะกี่กิโลต่อวันเนี่ยนะทั่วประเทศอนะ่ะจอกแบบพร้อมอย่างนั้นอย่างนั้นด้องกรอกอย่างนั้นอย่างนั้นมีวิทยาฐานะอย่างงั้นยาวเหยียดได้กรอกถ้าไม่กรอกให้ก็โวนพายแต่ผลใน ท, ท้ายก็ น, นั่นนะก็บอกว่า ก็อบอกว่าเราก็เป็นพระชื่ออย่างนั้นอยู่วัดนั้นก็พอแล้วไม้พูดเรื่องนั้นก็จบแล้วอย่างอื่นไม่จำเป็นจะต้องใส่เข้าไปทำไมจะต้องใส่เข้าไปนี่คือคือเรื่องของอะไระ่ะเรื่องแสดงถึงโลภเรื่องแสดงถึงโอ้อวดเรื่องแสดงถึงแข็งดีเรื่องแสดงถึงมานะมันไม่ได้อะไรขึ้นมา หรือถ้าว่าเ้าสมัครทํางานก็กําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้กับอีกอย่างหนึ่งแต่วิทยากรไม่ได้เกี่ยวนี่วิทยากราก็เชิญไปก็นิมนต์ไปอย่างสมมติอย่างนี้อย่างพระพยามอะไรเนี่ยพระนักธรรมเอกอะ่ะจะเอาอยัางไงไม่เห็นกระปริญญาเลยแต่เขาก็พูดได้อ่ะก็พูดไปทุกคนต้อแข่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับวิทยาฐานะเนี่ย เราจะเห็นว่ามันนี่เป็นเรื่องทางศาสนาวิทยาฐานะจริงๆที่มันมีใบเอกสารกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเพิ่งมีขึ้นมาในตอนหลังเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเรื่องพระเนี่ยเขาจะรับรองตัวเองเห็นไหมการจัสรูพุธจาระในรับรองตัวเองไม่ใช่คนอื่นมารับรองแต่ว่าพอชาวบ้านเขารับรองเนี่ยปรากฏว่าเราไม่รับรองตัวเองเราไม่ได้ดูว่ากิเลสเราลดไปหรือเปล่า ถ้าเทียปัญญาตรีโทเอกเนี่ยปัญญาตรีมันน่าจะเทียบเป็นศีลสมาธิปัญญาเห็นะชัดนะปัญญาตรีเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะรักษาศีลห้าได้นะฮะเป็นยาโทนี่น่าจะมีเปบญจาธรรมได้ปัญญาเอกนี่น่าจะมีพรหมวิหารและเว้นากาติได้เอาขนาดนั้นเน่ยนะเห็นไหมว่าอิเลสมันลดลงไปขนาดนั้นได้เนีย โอ้ยโลกมันจะดีเยอะเลยเราจะได้คนดีๆแต่ว่าเป็นปัญหาที่น่าขววงถ้าเราลองทั้งเกตว่าเศรษฐกิจเราที่พังถ้าลองเช็คดูเนี่ยเป็นยาสูงๆทั้งนั้นนะครัพวกที่มีส่วนทั้งหลายเนี่ยพวกสัตว์พวกธนาคารพวกกระทรวงครั้งอะไรแต่ไรหนึ่งวิทยาฐานะสูงๆทั้งนั้นเนี่ยแม้แต่พวกที่เป็นรัฐบาลเองวิทยาฐานะก็สูงสงแต่ทําไมมันมีปัญหาคอรัปชัน ปัญหาก็บอกว่าคนที่ขอรับชั้นมากที่สุดก็คือนักการเมืองที่เขาว่ากันนะไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไรเขาหรอกแต่ว่าจากหลักฐานต่างๆที่เขาว่ากันแล้วที่จริงก็พูดกันมานานแล้วนะเราเป็นเรื่องที่น่าสงสัยบืองกันเพราะแสดงบัญชีทรัพย์สินทำไมมันรวยจังเอาเงินมาจากไหนทํามาหากินอะไรทำไมที่รวยกันมากมายขนาดนั้นนั้นแสดงให้เห็นถึงจุดต่างที่ชัดเจนมาก ในเวเนี้ถ้าเรามาเดินตามเสด็จร อ, อยุคนบาตของพระพุทธเจ้าเอาก็ไม่ใช่พูดถึงเรื่องหมดกิเลสแต่พูดแบบปริญญาเนี่ยปริญญาที่เรียกว่าเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเรียกยาตปริญญาคือเรียนรู้ทางมาษสาทสัมผัสมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ติระนปริญญาคือนาความคิดเนี่ยมาคิดให้เป็นระบบ มีกฎมีเกณฑ์ในการคิดแล้วก็มีระบบของความคิดมีเหตุปีผลในการคิดไม่ใช่ว่าไปกะเกณฑ์ให้คนอื่นอย่างเวลาเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็ไปเจอคนที่ถามนะีไม่น่าถามเพราะตัวเองความรู้สูงแล้วกระดาพระทึ่จบปหกเนี่ยรักษาศีลบกพร่องไปบ้าง อย่างนั้นอย่างนี้วิภาควิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองจบเป็น ญ, ญาเอกแล้วรักษาสีหน้าไม่ได้เลยคือไม่ได้มองฮะไม่ได้มองโดยเหตุด้วยผลแล้วก็เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยโพสจักรูนี่มองจากจากความแตกต่างเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้ที่ควรแก่การครูนามหมดพระพเจ้ามองอย่างนั้นมองโลกมองชีวิตอย่างนั้น แต่ว่าเรายิ่งเรียนสูงเรามองแบ่งแยกกลายเป็นชนชั้นไปเลยนะฮะกลายเป็นชนชั้นที่มีความรู้ไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรกับคนทั่วไปธรรมดาสามัญเดี๋วพูจ้าอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะในจุดจุดตรงนี้ก็กลายเป็นจุดหลักกว่าการศึกษารู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันก็แสดงตัวอการแผ่ไปคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับประสียนไปอยู่บนภูเขาประสุมเณรแล้วก็พระบาทไปอยู่ในหมาสมุดพระหัตก็อยู่หมาสมุดประหัตตหนึ่งก็อยู่ในหมาสมุดยังไงคือหมายความว่าลักษณะคําสอนนี่แผ่คลุมไปทั้งหมดเลยแต่นั่นคือเป็นรูปธรรมเป็นส่วนของพระพุทธส ร, ริระมันแผลไม่ได้หรอกพระพุทธสิริระเนี่ยแต่ว่าตัวธรรมะนี่องค์ธรรมเนี่ย ตัวพระคุณเนี่ยตัวพระคุณก็แผ่ไปได้แล้วพระคุณที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าปัญญาเครื่องศัตรูเนี่ยจุดนี้คือคือจะจะมองสังเกตสามจังหวะนะฮะปัญญาเกิดเนี่ยกิเลสหมดปัญญาสมบูรณ์นะฮะมีมีข้อแม้ว่าปัญญาสมบูรณ์เนี่ยกิเลสก็สมบูรณ์ก็กลายเป็นบริสุทธิ์ พระเถรก็บริสุทธิ์หมดจดโลกัศต์เนี่ยมีความจำเป็นมากอย่างยิ่งมันเป็นการพิสูจน์อีสองอย่างว่าจริงหรือไม่จริงโลกัศต์จะต้องมีความการุณาต่อสรรพสัตว์เพื่อต้องการให้สรรพสัตว์นะั้นได้มีเป็นอย่างที่พระองค์ได้พระองค์มีพระองค์เป็นถ้าเราคิดโดยพื้นฐานเบสิกธรมนะธ ร, มธรมดานะพื้นฐานธรรมดาธรรมดานี่ คล้ายก็เราได้กินของอร่อยแล้วเราก็ให้อยากจะให้คนอื่นก็กินด้วยมันเกิดกรุณาแทนเกิดแทนที่จะเกิดหวงเกิดสนีนะฮะเกิดกรุณาเห็นไหมตรงนี้ที่จริงเป็นเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบสภาพจิตของเราได้พอเราสัมผัสสิ่งดีๆทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะได้เจอสิ่งสวยงามมาได้ยินเสียงที่ไพเราะสิ่งที่ดีงามมาได้ลิ้มรสที่อร่อยมาเนี่ยมันต้องนึกเผื่อแผ่ทึ้งคนเดียว เป็นการแสดงถึงว่ามีปัญญาจริงมีควา ม, มสุดจริงเพราะว่าโลกทัตุเป็นเปลี่ยนทีนี้เวลานี้ปัญหาสำคัญว่าเรายิ่งศึกษามากความเจริญก้าวหน้าเป็นโลกวิทยาการเทคโนโลยีไฮเทคสื่อสารโทรคมนาค ม, คมอะไรก็เรียกกันเดียวนะโลกาภพิวัติโลกร้ายพรมแดน แต่ว่าความแตกต่างความความแตกแยกความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราไปดูที่อเมริกานะเออว่ามันเนื่มันจะก้าวหน้าอะไรบ้างนะทั้งกอทั้งบูธนั่นแหละเราจะเห็นว่ามันก็ใช้ความรุนแรงใช้วิธีการที่แพ้ไม่ได้ต้องการเราชนะลูกเดียวคนที่จะขึ้นมาอยู่เป็น ประมุกของแผ่นดินอย่างนั้นนะประเทศมหาอำนาจอย่างนั้นนโลกทัศน์ต้องพิสูจน์ในตอนตอน้ตนๆว่ามีน้ำใจถ้าขาดน้ำใจและจะลําบากดังจากนั่นคือมองทุกคนเป็นมิตรแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองไม่ใช่ไปต่อสู้กับใครหรอกต่อสู้กับตัวเองถ้าจะชนะก็คือชนะใจตัวเองไม่มุ่งหมายที่จะเอาชนะใครได้จะต้องการจะแก้แค้นใคร นะแสดงอแผนแสดงนโยบายแสดงความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ต้องพูดถึงคนอื่นก็ดูเรื่องของเขาเขาก็นําเสนอเฉพาะเรื่องของเราเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ทําได้เพียงแต่ว่าใจมันไม่ถึงทีเฉยเพราะต้องการจะเอาเราเนี่ยไปไปข่มคนอื่นอยู่ในทีคือคนก็มีปัญญาในการวิเคราะห์ในการวินิจฉัยนะ ถ้เราลองสังเกตว่าถ้าเทียบจะชัดเจนมากเพระเหมือนกับเรากําหนดได้มีหัวข้อในการบรรยายขึ้นมาตั้งหัวข้อหเหมือนกันได้แล้วถ้าบรรยายแต่และฝ่ายในยพยายามอธิบายในเนื้อหาเนี่ยหัวข้อของตัวเองเนี่ยคนฟังก็มีปัญญาคิดเนี่ยเขาวินิจฉัยได้ว่าใครบรรยายได้ดีหรือไม่ดี มันเราไม่ได้แข่งกับใครนะฮะแข่งกับตัวเราถ้าเราชนะความโง่ความเบาแก่ความต่งตางๆได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาชนะได้เพราะจุดประเด็นสำคัญของการศึกษารู้ที่ถือว่าเป็นในยะหลักเนี่ยนะที่จะโดยเสด็จหมายความวัาโดยเสด็จก็คือว่าทำยังไงจะพยายามพัฒนาปัญญา แล้วก็ให้มีจิตใจเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดขึ้นอย่างน้อยก็มีใจสะอาดนะบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยพูดยากมีใจสะอาดปากยงงอย่า ง, ง, ยงไงใจอย่างนั้นทำอย่างไงใจอย่างนั้นพูดอย่างไงใจอย่างนั้นมีความสุจริตใจมีความจริงใจต่อกันในกันแล้วก็มองคนอื่นด้วยความเป็นมิตร มีพื้นฐานของความเมตตากรุณาความเป็นมิตรนะ่เอาขนาดการุณานะี่ยากไปหน่อยเอาขนาดเป็นมิตรมองด้วยความเป็นมิตรแล้วไม่เป็นมิตรก็เฉยๆใช่ไหมโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าเอาแค่จริงนี่ยมาโคตรทัวร์นะฮะ เราเอาว่าพักขนาดภายในวัดเนี่ยบางวัดก็ยังมีการขัดแย้งมีการทะเลาะ ก, กันแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งเป็นหมู่มันเอา อ, อะไรกันวัดนี่ไม่ใช่อะไรของเราเลยเนะเราเป็นผู้อาศัยแท้ๆเละและไม่จะแย่งอะไรกันก็ยังนึกขำๆ ม, มาเหมือนกับคนอยู่ในเรือแล้วไปแย่งของในเรือไหนจะแย่งออกันไปไหนเพราะหนที่สุดมันก็ต้องอยู่ในเรือคนเราก็เหมือนกันนะ ถ้าเราดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเนี่ยใช้ปัญญาเป็นตัวนำแยกแยะสิ่งทั้งหลายระหว่างมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์ระหว่างมีประโยชน์มากกับประโยชน์น้อยประโยชน์มากที่สุดอะไรแต่อะไรหน่ก็เทียบเคียงเวลาชีวิตเราเนี่ยเรามีแม่น้นมากอะไรเสร็จแล้วเราก็ตายทำยังไงว่าจะใช้สาระประโยชน์จากการมีชีวิตให้มากที่สุด เป็นแก่นแกนของความเป็นคนก็มีสาระแก่นสารจากการมีชีวิตเพราะฉะนั้นสาระเนื้อหาจริงๆของการศัสรู้ก็คือผลเปลี่ยนแปลงทางพระไทยที่ทาวรมั่นคงดัพบพพดับชาตินะฮะนั่นคือผลสูงสุดแต่ว่าของเราขนาดว่าเพิ่มพูนปัญญาระดับดับความรุนแรงของกิเลสและก็มีความรู้สึกเป็นมิตรกับบุคคลอื่น พร้อมที่จะอยู่เรื่องร่วมกับบุคคลอื่นในความเป็นมิตรพร้อมพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่นได้เนี่ยก็เชื่อก็ชื่อว่าเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกับพระพุทธเจ้าแม้จะห่างไกลามากอย่างไงก็ตามทุกฝั่งทั้งหลายแต่รลวงพระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจยบีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี